พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกระบอกกรองน้ำสมัยนั้นภิกษุสองรูปเดินทางไปแคว้นโกสนรูปหนึ่งประพฤติไม่สมควรภิกษุรูปที่สองจึงได้กล่าวกับภิกษุนั้นดังนี้ว่าท่าน อย่าทำอย่างนั้นนั่นไม่สมควรพิกษุนั้นกลับโกรธครั้งนั้นพิกษุรูปที่กล่าวเตือนนั้นกระหายน้ำอ้อนวอนรูปที่โกรธดังนี้ว่าท่านโกรธให้ผ้ากรองน้ำผมจกดื่มน้ำพิกษุรูปที่โกรธไม่ยอมให้ภิกษุรูปที่กล่าวเตือนนั้น กระหายน้ำจนถึงแก่มรณภาพครั้นภิกษุไปถึงวัดได้เล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายถามว่าเพื่อนอ้อนวอนขอผ้ากรองน้ำท่านไม่ให้หรือภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตำหนิประนามโพนทนาว่าชะไหนภิกษุ ถูกขอผ้ากรองน้ำจึงไม่ให้เล่าแล้วได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ส่งทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอถูกอ้อนวอนขอผ้ากรองน้ำก็ไม่ให้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 คนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกระถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เดินทางไกลเมื่อถูกเขาอ้อนวอนขอผ้ากรองน้ำจะไม่ให้ไม่ได้รูปใดไม่ให้ ต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่มีผ้ากรองน้ำไม่พึงเดินทางไกลรูปใดเดินทางต้องอาบัดทุกกฎถ้าไม่มีผ้ากรองน้ำหรือกระบอกกรองน้ำแม้มุมสังคาติก็ควรอธิษฐานใช้กรองดื่มได้ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงเวสาลีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะกูดาคารสาลาป่ามหาวันในกรุงเวสาลีนั้นสมัยนั้นภิกษุทรรมนวกรรมภากรองน้ำไม่พอภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้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 ทิษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ลาดผ้าลงบนน้ำ